อนาปติวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ423 1. ภพิกษุยังไม่ถูกสวดสมณุภาพสอพิกษุผู้ยอมสละ 3. ภพิกษุวิกลจริต 4. ภพิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 5. ภพิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา 6. ภพิกษุต้นบัญญัตสังคเพทานวัตตกสิกขาบทที่11จบ